ตอนนี้ก็เข้าพรรษามาได้อาทิตย์หนึ่งละไม่ถึง3เดือนนะก็จะถึงช่วงเทศกาลทอดกระถินตอนนี้ก็เริ่มมีญาติโยมหลายคนนะที่อยากจะทำบุญอยากจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินก็เริ่มติดต่อหาวัดนะที่จะออรับกระถินนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะสำหรับพวกมิจฉาชีพเนี่ย ตอนนี้พวกมิชาชีนนี้ก็เริ่มนะ <c oughs> เริ่มปฏิบัติการแล้วอาศัยช่วงจังหวะที่มีหลายวัดนะมีญาติโยมมาติดต่อเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพกะถินมีวัดหนึ่งเนี่ยนะเมื่อสักสองสาวันก่อนเนี่ยอยู่แถวอุบลมีคนที่อ้างตัวเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล โทรมาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ตอนนี้ก็ป่วยหนักเขาอยากจะเลิกกิจการแล้วละ่ะก็เลยอยากจะบริจาคอุปกรณ์นะแล้วก็ข้าของต่างๆของบริษัทที่จะยกเลิกกิจการก็มีบ้านน็อกดาวน์นะ ติดแอร์พร้อมนะห้าหลังรถปิกอัพ1นคันคอมพิวเตอร์จอ20นิ้ว8เครื่อง8ชุดโต๊ะหมู่บูชาชุดหนึ่งก็มีโต๊ะครบเลยนะ15ชิ้นเนี่ยจะถวายหมดเลยนะ2ชุดรวมทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่จะถวายให้กับวัดพร้อมเงินบริจาคเงินที่จะถวายวัดเพื่อเป็นเจ้าภาพกับถินเนี่ยอีกหนึ่งล้านบาทยังไม่นับอีกนะจำนวนมากนะที่เพื่อนๆจะร่วมกันนะถวาย ร่วมกับกองพระกองกองกระถินเนี่ยและบอกว่าเนี่ยตัวผู้อดีตผู้ว่าเนี่ยจะมาติดต่อกับทางวัดเนี่ยสิบสองสิงหานี่แหละจะมาคุยในระายละเอียดด้วยตนเองเลยทีเดียวพร้อมันนี้ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีการ ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆมาถวายวัดในเร็วๆนี้แหละก่อนที่จะกําหนดวันทอดกรถินคนที่จะมาจัดการเรื่องนี้นะขนอุปกรณ์ต่างๆมาถวายวันเนี่ยคือผู้จัดการบริษัทแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการพร้อมชื่อหลังจากนั้นเนี่ยแค่วัน วันต่อมานี่คนที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการบริษัทก็บอกว่าเนี่ยวันสองวันเนี่ยจะขนอุปกรณ์มาให้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินสำรองจ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆจากจังหวัดสารคามไปอุบลเนี่ยอยากขอให้ทางวัดเนี่ย ช่วยออกเงินไปก่อน 5,000 บาทแล้วทางเจ้าภาพกระทิ้นเนี่ยก็จะมาชำระคืนในภายหลังอันนี้เจ้าว่าเนี่ยท่านก็เอกใจนะจะถวายเงินเป็นล้านเนี่ยแต่ไม่มีเงินนะค่าขนส่ง 5,000 บาทนะมันผิดสังเกตนะแล้วท่านก็รอบคอบนะ ท่านพอรู้จักคนที่กระทรวงมหาดไทยต่อสายถึงปลัดกระทรวงเลยขอติดต่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยว่าโทรมาที่วัดจริงหรือเปล่าก็ได้เบอร์โทรศัพท์เลขาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาเนั้นบอกไม่รู้เรื่องเลยนันแล้วผู้ว่าตอนนี้อดีตผู้ว่าตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพด้วย ติดต่อแล้วก็อดีตดผู้ว่าก็ไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นนั้นว่าคนที่โทรมาเนี่ยนะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนคราวนี้ก็เลยหลอกเอาเงินจากวัดนี้ไม่ได้นะแต่ปรากฏว่ามีหลายวัดนะโดนหลอกไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นข่าวก็มีนะ อย่างมีวันหนึ่งแถวเมืองนนเนี่ยโดนหลอกคล้ายๆกันเลยนะจะมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินจะถวายเงิน 1.5 ล้านบาทแล้วก็พร้อมกอุปรกรณ์ต่างๆหลายอย่างพอใกล้วันทอดกระถินก็บอกว่าขอค่ารถในการขนย้าย อุปกรณ์ต่างๆไม่มีเงินเลยนะขอให้ทางวัดออกไปก่อนทางวัดก็อันนี้วัดที่ที่มึงนนนะเขาขอเป็นหมื่นเลยนะส่งไปห้าหมืนเพราะว่ารถหลายคันพอส่งไปห้าหมืนแล้วเนี่ยโอนเงินไปแล้วเนี่ยบอกรถเสียกลางทางขอให้อีกหนึ่งมืนทางวัดก็หลงเชื่อโอนมาให้อีกหนึ่งหมืน ไม่พอนะขออีกนะเขานี่รู้แล้วโดนหลอกสองครั้งนี่รู้แล้วว่าไอ้นี่มันทำแม่งนะก็เป็นนั้นว่าโดนหลอกจ่ายเงินไปห0หมื่นล้าน1นจล้านบาทที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้อ้นี่ก็เป็นลุงไม้นะของผู้มิฉาชีพเนะี่ยอาศัยความโลภนะวันเนี่ยนะ เวลามีเจ้าภาพบอกว่าจะมามีโยมมาถวายหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าเนี่ยจำนวนมากก็ดีใจนะตาโตเกิดความโลภขึ้นมาพอเกิดความโลภแล้วเนี่ยสติมันก็หายหมดละหลงเชื่องับเหยื่อได้ง่ายคือคนเราถ้าไม่มีความโลภหรือไม่มีอารมณ์บางอย่างเช่นความวิตกความตกใจความกลัวนี่ อ้การใช้ปัญญาไต่ตอนพิจารณานี่มันมันก็จะเกิดขึ้นได้นะและใช้ปัญญาพิจารณาก็จะรู้ว่าตัวเองกำลังถูกหลอกแล้วน่ะที่จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าฉเฉลียวใจสักหน่อยนะอย่างเจ้าว่าที่อุบลนเนี่ยฉเฉลียวใจนะว่ามมีจงถวายเงินต้องล้านแต่ไม่มีเงินค่าขนส่ง นะอ้างว่าไม่มีเงินสำรองอันนี้มันผิดสังเกตและท่านไม่ใช่ท่านนั้นท่านรู้จักนะรู้จักตรวจสอบนะรอบคอบนะตรวจสอบว่าจริงไหมอดีตผู้ว่าเนี่ยโทรมาที่วัดจริงหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าหาว่ามีการตรวจสอบนะเช็คนะไม่วู่วามิมรียบร้อนเนี่ยโปแตกเลยนะก็รู้เลยนะว่ามีการหลอกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย รีผามนะบางทีเขาบอกให้กดนั่นกดนี่ก็กดไปเลยเอาเงินมาล่ออย่างคุณคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยกเกษียณมาหลายปีนะวันนึงก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยทางการนี่จะให้เงินบำนาญ น, นะให้เบี้ยบำนาญเนี่ย6 0พันต่อเดือนขอให้ถ่ายบัตรประชาถ่ายรูปตัวเอง พร้อมกับเบอร์แบบประชาชนส่งไปให้ไม่มีคนเตือนแล้วนะแต่ไม่เชื่ออยากได้เงินทําตามที่เขาว่าปรากฏว่าหมดเลยนะไอ้เงินที่สะสมไว้เป็นล้านนี่กะว่าจะามายังชีพในยามฉลานศูนย์หมดเลยอันนี้เรียกว่าเพราะความโลภนะอยากได้เงินแล้วก็เลยไม่ได้ยังคิดทั้งน้นที่มีคนเตือนแล้ว เดี๋ยวนี้นี่โทรศัพท์โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันให้ความสะดวกกันแล้วก็จริงนะแต่เป็นความสะดวกที่มีโทษนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราสะดวกฝ่ายเดียวนะคนหนึ่งก็สะดวกด้วยนะดยพระพิชาชีพเนี่ยสะดวกที่เข้าถึงตัวเราแล้วก็รอให้เรากดนั่นกดนี่เคยพูดไ้แล้วว่านะ่ะอันตรายอยู่ที่ปลายนิ้วนะ หลายคนก็เสียผู้เสียคนเพราะว่าโพสตข้อความอะไรต่างๆด้วยความโกรธความเกลียดแล้วก็กดบอกว่าพอข้อความแพร่หลายก็โดนลุมกันหน่ำโดนประนามทั่วลงแต่มันไม่ใช่การมันไม่ใช่อันตรายปลายนิ้วนะหายยนตหรือความวอดวายก็อยู่ที่ปลายนิ้วด้วยกดนั่นกดนี่ไปนเนี่ยเงินที่เก็บสะสมไปนี่ศูนย์หมดเลยนะอันนี้เรียกว่าหายยนะความวอดวาย เพรานั้นมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นของดีเสมอไปมันก็เต็มไปได้วยโทษความวอดไหบที่ปลายนิ้วนะต้องระมัดระวังอย่าหลงเชื่อง่ายๆนั่นนี่น่าสังเกตนะเนี่ยที่เจ้าวาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเข้ามาขอห้าพันบาทค่ารถเครนขนส่งสินค้าเนี่ยห้าพก็ดูเหมือนน้อยนะแต่เชื่อเลยนะพอโอนเงินไปห้าพันเนี่ยเขจะบอกว่า5000ไม่พอขออีก อ่อยห้าพันพอให้ไป5้าพันที่2มันก็จะมาอีกบอกว่าไม่พอสุดท้ายเนี่ยโอนไป6 7ครั้งเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นนะเขาเขา อ, อ่อยเยอะ ด, ยด้วยเงินเพียงแค่ 5,000 บาทเพราะรู้ว่าถ้าเรียงเงินเยอะเนี่ยเยอะอาจจะรู้ตัวไหวตัวทันนะก็เลยอ่อยเยอะเนี่ยห้าพเองแต่พอให้ 5,000 ันไปแล้วนี่ก็จะเหมือนกับงับเยอะแล้วคราวนี้มันก็จะขออีกขออีกขออีก หมดไปหลายหมื่นนะอันนี้เพราะว่าไม่เฉลี่ยนะอันนี้เพราะว่าบูวามไม่รู้จักตรวจสอบของพวกนี้ถ้าเช็คข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าเพราะว่าความบูวามผีผามก็เลยพลาดท่าเสียทีไปให้นั่งเตือนใจตัวเองนะว่าเนี่ยความวอดไายที่ปลายนิ้วนิ้วที่กดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพียงแค่ครั้งสองครั้งนี้ มันสามารถนำไหยะมาให้กับเราได้